ขอนอบน้อมแด่พระภูมิพระภาคอาหัทธิตัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคําสอนซึ่งทําให้ผู้ปฏิบัติตามเป็นผู้บริสุทธิ์ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระองค์ผู้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของพระองค์นั้น ช่วงนี้ยังอยู่ในเทศกาลกินเจใช่ไหมยังกินใครกินบ้างเนี่ยอ่านี่โมทนาด้วยกินเจเป็นเว้นของข่าวใช่ไหมโดยหลักการก็คือเว้นของข่าวแล้วก็เจตนาในการกินเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพ เพื่อเอเพื่ออะไรไม่เบียดเบียนนะตัวนั้นนะเป็นตัวตัวหลักเลยแล้วก็เป็นตัวที่กินเพื่อกุศลนะกินแล้วได้กุศลคือเจตนานที่จะไม่เบียดเบียนการที่เราเว้นของข่าวข่าวต่างๆเนี่ยเป็นการเว้นในเรื่องของรูปธรรม ส่วนด้านด้านนำมาทำเนี่ยกลิ่นคาวเคยได้ยินคำว่ากลิ่นคาวไกลิ่นคาวเนี่ยไม่ใช่ดมด้วยจมูกคนธรรมดานะกลิ่นคาวเนี่ยพวกเทวดาเ็าได้กลิ่นกลิ่นทิพบ่ เ, เคยได้ยินไหมจมูกทิพ้ว เ, เคยได้ยินแต่ตาทิพบ็หูทิพบใช่ไหมจมูกทิพี่ไม่ค่อยได้เอามาใช้ประโยชน์กันเท่าไหร่นะแต่เทวดาเนี่ยเาใช้ พิสูจน์คุณธรรมคนคนไหนมีอกุศลมากกลิ่นแรงคนไหนมีกุศลมีศีลดีมีธรรมดีกลิ่นหอมหอมศีนหอมธรรมเคดีนคำนี้ไหมหอมศีนหอมธรรมกลิ่นศีนกลิ่นธรรมฟุ้งกระจรกระจายเทวดาเนี่ยนอกจากจะมีตาทิพย์หูทิพย์ยังมีจมูกทิพย์ด้วยนะ เพราะนั้นปิดบังก็ไม่ได้กลิ่นมันออกแต่ถ้าใครมีศีลดีมีธรรมดีกลิ่นดีครั้งหนึ่งผู้ระเจา้าประชวรอาพาธเรียวกว่าปักขันีิกาพาธถ่ายเป็นโลหิตถ่ายเป็นโลหิตเนี่ยไม่ทราบว่าเดียเเ๋ยวนี้ก็จะเรียกว่าอะไรเป็นบิดหรือเปล่า ประมาณอย่างนั้นนะใครเคยเป็นบิดมั้งเคยใช่ไหมถ่ายมากลิ่นแรงไหมแบบทำจมูกย่นเลยเนาะแต่พระอินทร์เนี่ยพระอินทร์เนี่ยอาสาเอากระโถนสมัยก่อนเนี่ยยังใช้กระโถนนะไม่มีชักโครกยังใช้กระโถนแล้วก็ท่านคงจะต้องถ่ายใส่กระโถนแล้วก็เอากระโถนไปเทแล้วก็ทำความสะอาด พระอินทร์ซึ่งปกติเทวดาเนี่ยจะเหม็นกลิ่นมนุษย์มาอาสาพุทธเจ้าขอขอเลยนะต้องขอเลยนะเหมือนกับแย่งทําบุญอ่ะขอเอากระโถนที่พระทเจ้าท ร, ทรงถ่ายแล้วเนี่ยนะเอาไปล้างพระธเจ้าถามว่าปกติแล้วเทวดาเนี่ยจะอยู่ไกลจากมนุษย์ถึงร้อยโยตร้อยโยนะชนั่นมายถึงร้อยเมตรนะโยชหนึ่งมีกี่กิโล ไครสิบหกกิโลเมตรหนึ่งโยต์สิบหกกิโลเมตรเทวดาเนี่ยเหม็นกลิ่นมนุษย์ต้องออกไปถึงร้อยโยต์มนุษย์ปกติเนี่ยที่ไม่ค่อยมีศีลไม่ค่อยมีธรรมเทวดาไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่ใกล้พระอินทร์ลงมาเองฤๅเจ้าถามว่าปกติเทวดาจะห่างไกลจากมนุษย์ไม่ยอมอยู่ใกล้เพราะเหม็นทําไมคราวนี้จึงได้มาะ แล้วมาทํางานหน้าสดกลปลกด้วยพ ร, พระเจ้าถามแล้วพระเงกรับตอบว่าจริงอยูนะ่เทวดาทั้งหลายเนี่ยเหม็นกลิ่นมนุษย์แต่ที่เหม็นกลิ่นมนุษย์นะคือเหม็นอกุศลจิตคนนี่มันมีกลิ่นจิตนี่มีกลิ่นเหม็นความไม่ดีของมนุษย์ มันไม่ใช่แค่นางไม่ใช่แค่นางเกลียดหน้ารังเกยียดแบบว่าหน้าตาคนเท่านั้นนะแม้แต่กลิ่นก็น่ารังเกยียดแต่ของพระองค์เนี่ยมันหอมฟุ้งกระจายไปทั่วจั ก, กรวาล <c oughs> ข้าพระเจ้าเนี่ยไม่รู้สึกรังเกยียดเลยในในพ ร, พระเาเรียกอะไรพระบังคนใช่ไหมอุจจาระ <c oughs> ต้องใช้ราชาราชาพั์เล่นยากนะเอาภาษาชาวบ้านดีกว่านะที่ท่านถ่ายออกมาเหลวๆเนี่ยมีมูกเลือดด้วยนะนะบอกว่าสิ่งนั้นนไ่ไม่ไม่น่ารังเกียจสำหรับข้าพเจ้าเลยของกระหม่อมชันเนี่ยรู้สึกดีใจที่ได้ทำถวายพระองค์แล้วในัำพีนะบรรยายบอกว่าพระอินเนี่ยยกหม้อนี่ขึ้นทูลหัวเลย <laughs> เหมือนเป็นของมีค่ามาก แล้วด้วยใบยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีการสยิว้วรู้จักสยิ้วไหมใบหน้าสยิว้วไม่รังเกียดเลยใบยหน้าสยิ้วไม่มีเลยสักนิดเดียวนี่คือเทวดานะเขาเหม็นคนไม่ได้เหมเห็นกลิ่นลักแล้วไม่เหม็นกลิ่นกายหรอกคนดีทำงานหนัก เขาก็อยากอยู่ใกล้คนดีป่วยถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดเขาก็อยากอยู่ใกล้ยอยากมารับใช้เราทำทำดีถือศีลกินเจนะถือศีลกินเจมีคำคู่กันนะไม่ใช่กินเจอย่างเดียวนะถือศีลและกินเจกินเจเนี่ยจ้าจะให้ดีนะต้องปากเจด้วยเคยได้ยินคานี้ไหม มีปากเจด้วยนะอปากเจเนี่ยคือทํำยังไงไม่พูดร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ด่ากั น, นก็คือเว้นวจีทุจริตอีกสี่อย่างรู้จักไหมวจีทุจริตสี่อย่างไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพลเจอร์ตต้องเว้นนี้ด้วยนะนอกจากจะเว้นอาหารขาวขาวเหม็นเหม็นทั้งหลายแล้วเนี่ย ไม่ใช่ว่ากินผักได้ทุกอย่างนะเขาก็เว้นกระเทียมใช่ไหมมันเหม็นนะแล้วก็ไปเขาบอกว่ามันทําให้คึกใช่ไหมกระเทียมเนี่ยนะนอกจากจะเว้นอาหารขาวๆแล้วกิจกรรมขาวๆคาพูดขาวๆนิสัยขาวๆจิตใจขาวๆเว้นออกทางกายทางวาจาและทางใจพวกนี้จะเป็นการ กำจัดกลิ่นข่าวจำได้ัหมมีอะไรบ้างพูดปดพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพลเจอพูดปดคือพูดไม่จริงสิ่งใดที่ไม่จริงไปบอกว่าจริงสิ่งมันมีบอกว่าไม่มีหรือว่าไม่มีบอกว่ามีพูดปดพูดสอเสียดคือพูดยุแยงตะแคงด้วยให้เขาทะเลาะกัน เขาดีๆกันอยู่ก็ไปพูดให้เขาแตกคอกันทะเลาะกันวิวาทกันเห็นเขาเป็นเพื่อนดีกันรู้สึกหมั่นไส้ยุกให้เขาทะเลาะกันเห็นสามีภรรยารักกันดีหมั่นไส้ยุกให้เขาแตกกันอย่างนี้เรียกว่าส่อเสียดพูดคําหยาบคือพูดค้อยคําทีอ่อะไรไม่ไม่สบายหูฟังแล้วรู้สึกเสียดแทงใจ ฟังแล้วกระทบใจฟังแล้วไม่พอใจไม่น่าพอใจคำนั้นอาจไม่ใช่คำหยาบแบบ อ, อ, อะไรอะไม่ใช่คำดา่าเป็นสัตว์เป็นอะไรพวกนี้ด้วยแม้แต่คำพูดที่เหมือนเหมือนคำเพาะเพาะแต่เจตนาหยาบคายเจตนาเย้ยหยันประชดประชันอะไรอย่างี้นะดูเจตนาดูที่เจตนา คำบางคำดูเหมือนหยาบแต่เจตนาไม่ได้เจตนาดา่าคำนั้นไม่ข่าวนะเช่นพระเทระบางท่านบางองค์บางรูปแม้แต่ในตอนสมัยพุทธกาลนะนะเรียกโยมไอ้ถอยไอ้ถอยถ้าเป็นผู้หญิงก็อีถอยคำอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ได้เจตนาดา่านะเป็นคำที่แบบคุ้นปากของท่านเหมือนเวลาเพื่อนเพื่อนสนิท เรื่อสนิทวันนี้มีเพื่อนมาเนาะอย่างเงี้ยเรียกเจอกันเฮ้ยไอ้ไอ้ัดไอ้อะไรพวกเนี้ยนะมันไม่ได้เจตนาด่าถ้าไม่มีไอ้ ai, นี่ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่สนิทเหมือนกันนะคำพูดดูเหมือนอยากคายแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะด่าอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในข้อวัจีทุจริตในเรื่องของคำหยาบนะคำหยาบหมายถึงว่าผู้ฟังแล้วฟังแล้วไม่สบายใจ พูดพูดก็เจตนาที่จะให้ทำร้ายด้วยคำพูดส่วนคำพูดเพ้อเจ้อรู้จักเพ้อเจ้อไหมนักเรียนรู้จักไหมเพ้อเจ้อเคยเพ้อเจ้อไหมบ่อยเนาะเพ้อเจ้อคือพูดที่ไม่มีประโยชน์คำพูดไม่มีประโยชน์คำพูดไรสาระเสียเวลาเสียเวลาทั้งผู้พูดและผู้ฟั ง, งไม่มีประโยชน์เรียกว่าเพ้อเจ้อเว้น นอกจากเว้นการกินของขาวเว้นคําพูดขาวๆเว้นความคิดขาวๆเว้นด้วยในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เนนะคือเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ย เ, เทวดาพระอินทร์เนี่ยนะพระอินทร์เวลาถึงวันพระวันอุโบสถเนี่ยจะมีการประชุม ประชุมอยู่บนธรรมสภาของสวรรค์ชั้นดาวดึงทุกครั้งที่ประชุมเนี่ยจะมีรายงานจะมีรายงานว่าส่งเทวดาไปดูไปดูว่าเมืองมนุษย์ยังรักษาศีลกันดีอยู่ไหม ย, ยังทำบุญให้ทานเจริญภาวนากันดีอยู่ไหมเขาจะมีแฟ้มยนะยังใช้แฟ้มอยู่เลยนะล้าสมัยนะ เดี๋ยวนี้เอาตัมได้มาก็ได้ใช่ไหมเสียบปุ๊บไม่ต้องใช้กระดาษแต่สมัยนั้นก็คัมพีก็เขียนด้วยเทคโนโลยีแบบโบราณมาเป็นแฟ้มถ้าวันไหนรายชื่อมาเป็นแฟ้มตโตโตนะเทวดาจะดีใจว่าโอวันนี้บัญชีบุญหนามากเลยบุญหนานี่คือหมายถึงว่ารายชื่อมากกระดาษเยอะไนะฟล์ใหญ่ๆแฟ้มใหญ่ๆโตโต ถ้าวันพระวันไหนเทวดาที่ไปตรวจดูโลกแล้วมาแบบแฟ้มบางๆเทวดาแบบเสียใจเทวดาเขาไม่ได้หวงสวรรค์นะเขาอยากให้คนเกิดบนสวรรค์มากๆคราวหนึ่งพระอินทร์ประชุม <c oughs> คราวนั้นเนี่ยเป็นคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วสั่งสอนคนแล้วมีคนที่ปฏิบัติทำแล้วตายไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเยอะแยะมากมาย แต่ละคนแต่ละท่านก็มีลัศมีผ่องใสพระอินประชุมแล้วก็ชื่นชมกล่าวชื่นชมพระคุณของพระพุทธเจ้ามากมายสรุปแล้วมีอยู่8ประการอาตมาจำไม่ได้ประมาณว่าพระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายสั่งสอนพระองค์ทำยังไงก็สอนอย่างนั้นสอนอยังไงก็ทำอย่างนั้นทำแล้วได้ผลประโยชน์ขนาดที่เรียกว่า ตายแล้วก็มาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามากมายเต็มไปหมดเลยเต็มสภาสภานั้นสภาบุญพระอินทร์ชื่นชมยินดีอยู่นั้นไปเข้าหูพระพรหมพระพรหมองค์หนึ่งองค์นั้นเนี่ยชื่อว่าสนนังกุมานพรหมพระพรหมอง์นี้เนี่ยได้ยินพระอินทร์สรรเสริญพระพุทธเจ้าก็ ลงมาพระพมเนี่ยกายพระพรหมได้ใหญ่มากนะครูบาอาจารย์บอกว่าบางองค์เนี่ยใหญ่กว่ากาแล็กซี่อีกใหญ่มากเวลาจะมาสวรรค์ชั้นดาวบดึงเนี่ยต้องย่อกายนีต้องย่อกายต้องรีไซต์ต้องย่อมาย่อมาแล้วเนี่ยต้องทํากายให้หยาบด้วยกายของพระอินท กับการของพระพมเนี่ยไม่เหมือนกันนะพระพรหมเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งละเอียดพระพรหมย่อขนาดแล้วต้องทำให้หยาบเพื่อให้เทวดาชั้นดาวดึงมองเห็นไม่งั้นแล้วจะเห็นแต่แสงสว่างจ้าจ้ามีพระอินมองไม่เห็นพระพมพระพมต้องทำกายให้หยาบแต่พอเทวดาทั้งหลายเห็นแสงเนี่ยรู้แล้วว่าพระพรหมมาพระพรหมมาแล้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ลุกจากที่นั่ง เทวดานะสมมติว่านี่เป็นเทวสภาสมมุตินี้เป็นเทวสภานะนะถ้ามีแสงสว่างวาบมาเลยนะทุกคนจะลุกเลยบอกรู้แล้วพระพร้จะมานะอาตมาก็ต้องลุกเหมือนกันนะพระพร้อมจะมาแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานเลยว่าขอให้ท่านมานั่งในอาสนะของข้าพเจ้าแนะค่คาดกับว่าถ้าได้ท่านมานั่งแล้วนะเราจะได้บุญมากนะเหมือนเวลาโยมนั่งอยู่แล้วมีพระมานะพระพระมาแล้ว โยมก็เชื้อเชิญให้ท่านนั่งน่ยถ้าท่านนั่งของที่ของไทยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเรามีบุญมากวันนี้ท่านเลือกนั่งที่ของเราเนี่คราวนั้นพระพรหมมาเนี่ยทุกคนเทวดาทุกองเนี่ยก็ลุกออกจากที่อยากให้ท่านนั่งในที่ของตัวเองพระพมไม่ไม่รู้จะเลือกนั่งที่ไหนลอยอยู่ข้างบน <ś> ลอยอยู่ข้างบนแล้วก็ถามพระอินทร์ถามพระอินทร์คุยเรื่องอะไรกันอยู่นั่งนั่งที่ตัวเองก็รู้นะคุยเรื่องอะไรกันอยู่ออก พระเจ้ากาลังกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ว่าพระองค์เกิดมาได้มีประโยชน์แก่ทั้งมนุษย์และเทวดาพระพรมก็บอกว่าอืมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะนะเราเคยสงเคราะห์เราเคยสงเคราะห์ท่านเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์ดูสิท่านยังเป็นพระพรมอยู่เลย พระโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ส10บชาติสุดท้ายด้วยนะตั้งแต่ชาติยังไม่อยู่ในสิบชาติสุดท้ายมันนานขนาดไหนเมื่อครั้งยังเป็นโคบินทพรามมหาโควินชื่อเดิมเนี่ยชื่อโชติปาละตอนเกิดมาเนี่ยมีแสงวูบวาบอยู่ในในพระขังพระคังแสงคือที่เก็บอาวุธของพระราชาพระราชาก็ตกใจว่า ใครเกิดเกิดมาในวันนี้นี่จะเป็นอันตรายกับเราหรือเปล่าปุโปรโหิตก็บอกว่าไม่เป็นอันตรายจะเป็นคนมีบุญมาเกิดเป็นลูกปุโรหิตเองชื่อโชติปาละโชติปาละเกิดมาพอเป็นหนุ่มพ่อตายก็ต้องทำหน้าที่แทนพ่อคือเป็นปุโรหิตต้องทำพิธีกรรมต่างๆทางาศาสนาในยุคนั้น ชาวบ้านและก็ทั้งร้มทั้งพระราชาด้วยก็ไม่มั่นใจว่าไอ้หนุม่มคนนี้มันจะทําหน้าที่แทนพ่อได้หรือเปล่าแต่พอเห็นเขาทาแล้วปรากฏว่าเก่งกว่าพ่ออีกกลางที่หนุ่มๆเนี่เยเนะก่งกว่าพ่ออีกทำไปทํามาเลยชาวบ้านทั้งหลายเห็นว่าทําดีกว่าพ่อพ่อได้ชื่อโควินตัวเองชื่อโชติปาละพอทําดีกว่าพ่อชาวบ้านทั้งหลายเรียกขนานนามว่ามาหาโควินคือใหญ่กว่าพ่อ สมมติว่าสมมติบีระเนี่ยมีลูกสมมติ ว, ว่าโยมชื่อบีระมีลูกนะ น, นะแล้วลูกมันเก่งกว่าพ่อไอ้ลูกเนี่ยจะชื่อว่ามหาวีระมันเก่งแต่นี่ไม่มีลูกนะเอ่อมหาโคบินเนี่ยนะเก่งขนาดที่ว่าจนชาวบ้านเชื่อว่าเชื่อว่ามหาโคบินเนี่ย สามารถพูดคุยกับพระพรหมได้คือทำพิธีอะไรทําสาเร็จหมดทุกอย่างและเรียบร้อยเชื่อว่าชาวบ้านชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะพูดคุยกับเทวดารวมทั้งพระพรหมได้งานการจึงสําเร็จเรียบร้อยขนาดนั้นมหาโคบินก็มาดูว่าคำเล่าลือของชาวบ้านเนี่ยมันเกินจริงมันเกินจริงจะพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อ วิธีหนึ่งที่จะให้คำพูดนั้นเป็นจริงก็คือเราต้องคุยกับพระพรหมให้ไดนะ้ก็ไปเปิดตำราเปิดตารามันมีวิธีเข้าถึงพระพรหมอยู่ในตำรานะคือเจริญการุณาแผ่การุณาตลอด4เดือนนะใครจะลองทำก็ได้นะแผ่การุณารู้จักไหมการุณาไม่จะเอาคนชื่อการุณามานอนแผ่นะ แผ่กรุณาตลอดสี่เดือนคือกรุณาคือเห็นผู้อื่นทุกข์แล้วอยากให้เขาพ้นทุกข์ตลอดสเดือนเมื่อมีคนทุกข์ให้เขาพ้นจากทุกข์นั้นเมื่อมีเห็นเขาโกรธอยู่อยากเขาอยากโกรธเลยจงให้เขาหายโกรเธเถิดเห็นเขาจนอยู่จงมีทซั์เถิดเห็นเขากําลังเหม่อลอยจงมีสติมาเถิดอย่างเงี้ยมีใครเหม่อลอยบ้างจงมีสติขึ้นมาก่อนนะฟัง ตั้งใจฝังต่อยากไหมรู้สึกเจริญกรุณายากไม้มสําหรับพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ยากเลยพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีจิตใจเป็นพื้นเดิมคือต้องการที่จะทําทําตัวพระองค์เองให้มีคุณสมบัติพอที่จะไปช่วยคนอื่นอยู่เสมอแม้คนอื่นเขาจะทุกข์ยากขนาดไหนก็พร้อมพอที่จะไปช่วยแม้คนนั้นจะอยู่ในนรก พร้อมที่จะลุยไฟนรกไปช่วยคนให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นจิตใจของท่านเนี่ยเจริญกรุณาสี่เดือนบอกไม่ยากเลยสั่งคนบอกว่าเราจะขอหยุดพักนะขออนุญาตพระราชาว่าขอพักราชการขอจเจริญกรุณาสเดือนเพื่อจะเตรียมตัวของพระข อ, ของท่านเองให้ติดต่อพระผมให้ได้อยู่มาเกือบถึงสี่เดือนแล้ว พะครบสี่เดือนไม่เห็นมีพระพรมมาเลยก็เลยนึกว่าสงสัยหนึ่งคำภีไม่จริงนะคำภีนั่นลวงสองพระพรมมีไม่จริงไม่มีจริงสองอย่างนี่แหละไม่ยังได้อย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่นับถือแล้วทั้งคำภีและพระพรมถ้าไม่มาสนังกุมารพรมนี่แหละได ได้ยินคําได้ยินความคิดของพระโพธิสัตว์ก็จึงมามาปรากฏกายให้เห็นก็เลยไม่รู้ว่านี่ความเสอะดสตมาเองนะเลยไม่รู้ว่าเพราะอยู่จเจริญกรุณาสี่เดือนจึงได้รู้จึงได้ติดต่อได้หรือว่าเพราะว่าขู่ก็ไม่รู้นะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าสี่เดือนน่ะได้เจอได้เจอพระพรหมพระพรมก็มามาแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามคําถามนะ พระพธิษัตก็ถามว่าคือตั้งใจทีแรกว่าเอ๊จะถามอะไรดีจะถามถึงการปฏิบัติเพื่อให้ประโยชน์ในปัจจุบันชาตินี้ดีไหมซึ่งเราก็ตัวท่านเองในสมัยนั้นท่านก็บอกว่าวิธีปฏิบัติทำบุญในชาติปัจจุบันให้เห็นผลเนี่ยท่านไม่สงสัยแต่ท่านสงสัยว่าทำยังไงจึงจะเป็นพระพมได้ในไหนพระผมก็มาแล้วถามเลยดีกว่า <c oughs> พระผมก็บอกว่าให้เจริญ พรหมวิหารจเจริญเมตตากรุณามุ้ติตาอุเบกขาจเจริญพรหมวิหารแล้วทําใจไม่ให้มีกลิ่นขาวพราะบริษัทบอกเออพรหมวิหารเนี่ยพอได้แต่ทําใจไม่ให้มีกลิ่นค้าวนี่ทํำยังไงกินเจหรือเปล่าสมัยนั้นไม่มีเมื่นั้นไม่มีกินเจก็เลยถามเพราะผมก็บอกว่าทําใจไม่ให้มีกลิ่นขาน้ า, <c oughs> กาวก็คือทําใจ ไม่ให้มีอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่ให้มีโมหะไม่มีใจคดโกงไม่มีคำพูดปดพูดดา่าพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อไม่มีการทะเลาะวิวาทไม่มีการกินเหล้าอย่างเี้นะ <c oughs> พระโพิสัตก็เอ๊ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะอยู่เป็นคาราวาอยากจะทำใจไม่ให้มีกลิ่นขาวในยากออกบทดีกว่านะคิดจะออกบทไปลาพระราชาพระราชาก็บอกรอก่อนนะรอก่อนอีกเจ็ดปีค่อยบทพระโพธิสัตว์บอกว่าอีกเจปีนานไปก็ลดมาเลยนะเป็นเจ็ดเดือนเป็นสุดท้ายเจดวัน อเจวันพอได้เจ็ดวันพอได้พระโพธิสัตว์ก็ไปลาลาภรรยาอาตมาอ่านถึงจำนวนภรรยาแล้วตกใจพระโพธิสัตว์มีภรรยาอยู่กี่คนถ่ายสิ4ี่คนสิบคนยี่สิบคนสี่สิบคนเป็นมนุษย์เลยนะ เป็นพระโพธิสัตว์มีภรรยาอยู่4ี่สิบคนไปลาขอบวชนะขอบวชภรรยาบอกว่าถ้าท่านจะบวชคือตอนที่ไปลาเนี่ยนะบอกว่าเชิญน้องหญิงทั้งหลายเนี่ยกลับไปอยู่กับญาติๆนะกลับไปอยู่กับญาติๆปล่อยให้เธออิสระหรือจะไปหาสามีใหม่ก็ได้ภรรยาทั้งหลายทั้ง4ี่คนเนะบอกว่าท่านนั่นแหละเป็นทั้ง สามีเป็นทั้งญาติถ้าท่านบวชบวช ด, ด้วยสี่สิบคนเลยนะถ้าท่านบวชบวช ด, ด้วยฝ่ายพระราชาพระราชาที่เป็นลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่เจ็ดท่านที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเลยนะมี7จดเจ็ดพระองค์ทั้งเจ็ดพระองค์บอกว่าถ้าอาจารย์จะบวชบวช ด, ด้วยตกลงเมืองนั้นน่ะมาบวชอยู่กับพระโพธิสัตว์เนี่ย เกือบหมดเมืองนี่เราถึงเรื่องขาวๆใจขาวๆคือ